เจอดีที่บ้านของเพื่อนแม่สอง ส, สัมผัสสยองหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเดียเพื่อนผมคนที่เป็นหลานของปา ก, กอยซึ่งเคยได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อ4ี่ปีก่อน เธอก็ได้กลับมาพบเจอกับเหตุการณ์น่าหวาดกลัวนี้อีกครั้งถ้าใครยังไม่ได้ฟังเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็สามารถกลับไปฟังคลิปเจอดีที่บ้านของเพื่อนแม่ได้นะครับส่วนตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวต่อกันเลยดีกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เดียและแฟนหนุ่มของเธอได้เดินทางไปบ้านปาก่อยเพื่อที่จะไปงานบวชลูกชายของปะก่อย ที่จันทบุรีญาติพี่น้องก็มากันครบทุกคนและได้อาศัยนอนพักอยู่ที่บ้านของปา ก, ก้อยจนมีที่นอนไม่เพียงพอสำหรับเดียกับหนุ่มทั้งสองจึงไปนอนอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังเก่าของปา ก, ก้อยเพราะว่าต้องนอนค้างหนึ่งคืนก่อนที่จะถึงงานบวชปา ก, ก้อยได้บอกกับเดียหลานของแกว่าอย่าให้ใครเปิดประตูห้องควาของบันไดชั้นสองอีก เดียก็รู้ดีว่าถ้าเปิดจะต้องเจอกับอะไรแต่หนุ่มกลับสงสัยจึงพูดขึ้นมาว่าทำไมต้องห้ามเปิดด้วยวะเดียจึงเล่าเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอเมื่อสี่ปีก่อนให้ฟังเมื่อหนุ่มได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่เชื่อแล้วบอกว่าผีบ้าอะไรไม่มีหรอกกูไม่เชื่อหนุ่มเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว เดียจึงไม่พูดอะไรกําชับเพียงแต่ว่าอย่าเปิดห้องด้านขวาของบันไดเป็นนันขาดหนุ่มก็ไม่ตอบอะไรพอเดียกับหนุ่มเดินไปถึงบ้านเก่าของปากอยก็เปิดประตูแล้วเดินขึ้นบันไดเพื่อไปจัดที่นอนที่ชั้นสองของตัวบ้านแต่ยังไม่ทันไรหนุ่มก็ถามเดีย ว, ว่าไหนห้องไหนที่เปิดแล้วจะเจอผี เดียก็ชี้ให้หนุ่มดูและบอกว่าห้องนั้นยาไปเปิดเด็ดขาดแต่หนุ่มไม่สนใจอยากพิสูจน์ดูว่าถ้าเปิดแล้วจะเจอผียายบุญจริงหรือเปล่าแล้วหนุ่มก็เดินตรงไปที่ประตูบานนั้นและเปิดออกเขาเดินเข้าไปภายในห้องหันซ้ายหันขวามองดูโดยรอบเมื่อไม่เห็นอะไรจึงตะโกนขึ้นว่า ไหนว่าผีถ้ามีจริงก็ออกมาสิอยากเจอทุกอย่างเงียบกริบเดียเองก็ตกใจที่หนุ่มทำอย่างนั้นจนพูดอะไรไม่ออกสักพักหนุ่มก็เดินออกมาจากห้องขณะที่เขาหันหลังกลับไปเพื่อที่จะปิดประตูแต่ยังไม่ทันได้เอื้อมมือไปแตะที่ประตูประตูห้องนั้นก็ปิดเองอย่างรุนแรงเหมือนกับมีคนถีบ เดียยองยืนอึ้งไปสักพักแล้วพูดกับนุ่มว่าประตูปิดเองได้ยังไงปิดแรงด้วยนุ่มก็ตอบกลับมาว่าลมพัดมั้งไม่มีอะไรหรอกหนะ้าแต่เดียเห็นว่าหน้าต่างบ้านก็ยังไม่ได้เปิดสักบานจะมีลมพัดได้ยังไงนุ่มไม่สนใจเดินกลับไปที่ห้องเพื่อที่จะจัดที่นอน ส่วนเดียที่กลัวมากก็รีบตามไปในทันทีหลังจากที่จัดเตรียมที่นอนเสร็จพอดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วทั้งสองจะต้องรีบเข้านอนเพราะต้องไปงานบวชแต่เช้าแล้วทั้งคู่ก็หลับไปเวลาประมาณห้าทุ่มหนุ่มตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนกับขนเนาเล็บขูดอยู่ที่หน้าประตูห้อง แล้วก็มีเสียงพูดออกมาว่าอยากเจอกูนักไม่ใช่หรอกูมาแล้วหนุ่มเรียบหันไปปลุกเดียแต่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นจึงตัดสินใจลุกไปเปิดประตู ห, ห้องแล้วพูดว่าใครแกล้งกูวะ แต่เมื่อหนุ่มเปิดประตูห้องออกมาก็เห็นหญิงแก่ใส่ชุดไทยยืนเอามือชี้หน้าอยู่เธอคนนั้นพูดว่าพี่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงออกไปหนุ่มตกใจจนขาสัน่นชีราดนองกับพื้นจากนั้นหนุ่มก็ขยับตัวไม่ได้หญิงแก่คนนั้นค่อยๆแลบลิ้นออกมายาวลงมาถึงหน้าอก หนุ่มได้แตะห้องนโมเขาท่องไปจนครบสามจบแล้วก็ได้ยินเสียงพูดว่าตอนนั้นกูก็ทําแบบมึงนั่นแหละแต่ก็ไม่รอดมึงลบลูกกูกูจะเอามึงมาอยู่แทนกูเดียตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่เจอหนุ่มจึงเดินหาอยู่นานหาจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอเดียจึงตัดสินใจ เปิดประตูห้องด้านขวาของบันไดแล้วสิ่งที่เธอได้พบนั่นก็คือหนุ่มกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ตรงหน้าโต๊ะพิธีเดียเห็นก็ตกใจแล้วถามหนุ่มว่าเป็นอะไร หนุ่มก็ได้แต่พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเดียจึงรีบโทรหาป้าก้อยให้มาดูหนุ่มในสายป้าก้อยก็บ่นว่าเดียว่าป้าแกบอกแล้วอย่าไปเปิดห้องนั้นพอป้าก้อยมาถึงก็รีบจุดทูปขอขอมาสักผักหนุ่มก็อาการดีขึ้นแล้วป้าก้อยก็อยู่ด้วยที่บ้านหลังนั้น จนถึงเช้าพอตอนเช้าหนุ่มก็เล่าเหตุการณ์ให้เดียกับป้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมันทำให้ทุกคนตกใจมากแต่วันนี้มีงานแห่หน้าจึงต้องไปงานบวชก่อนในงานขณะที่ทุกคนกำลังกินเลี้ยงกันตามปกติอยู่ๆหนุ่มก็เดินไปที่บ้านหลังเก่าของป้าก้อย เดียมองเห็นหนุ่มเดินไปที่บ้านหลังนั้นก็คิดว่าหนุ่มคงไปเข้าห้องน้ําที่อยู่ในบ้านจนเวลาผ่านไปสองชั่วโมงแล้วเดียก็ยังไม่เห็นหนุ่มออกมารู้สึกผิดปกติจึงคุยกับปาก้อยแล้วก็พากันเดินเข้าไปตามหาแต่ก็ไม่เจอปาก้อยจึงเดินไปที่ห้องชั้นสองด้านขวามือที่เป็นห้องของยายบน เมื่อเปิดห้องเข้าไปก็พบว่าหนุ่มนอนหมดสติอยู่ตรงหน้าโตพิธีจึงรีบพาหนุ่มไปโรงพยาบาลหนุ่มถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินทุกคนที่ตามไปนั่งรออยู่ข้างนอกด้วยความกังวลไม่นานนักหมอก็เดินออกมาแล้วบอกว่าหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพัน เมื่อทุกคนได้ฟังก็อึง้งเดียร้องไห้ทุกคนเสียใจมากที่หนุ่มต้องมาจากไปแบบนี้หลังจากที่หนุ่มเสียชีวิตร่างของเขาก็ถูกนำกลับบ้านเพื่อไปทำพิธีตามศาสนาในคืนแรกขณะที่พระกำลังสวดอยู่นั้นเดียก็เห็นหนุ่มนั่งกอดเขา่าตัวสัน่นอยู่บนโลงศพของตัวเอง เมื่อเดียเห็นก็ช็อกจนเป็นลมป้าก้อยและคนที่อยู่แถวนั้นต้องมาช่วยประถมพยาบาลสักพักเมื่อเดียได้สติก็เล่าให้ป้าก้อยฟังว่าเห็นหนุ่มนั่งอยู่บนโลงป้าก้อยทำสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ตอบกลับมาว่าป้าเห็นนานแล้วและเหมือนกับว่าจะมีเพียงแต่เดียกับป้าก้อยเท่านั้นที่เห็นหนุ่ม เพราะแขกทุกคนที่มาร่วมงานก็ไม่มีใครเจออะไรแปลกๆหลังจากสวดเสร็จในคืนแรกทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านในคืนที่สองก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนมาถึงวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันเผาศพระหว่างที่เผาศพบใกล้จะเสร็จแล้วเดียปากอยและแขกที่มาร่วมงานต่างก็ทยอยกันกลับ ขณะที่ป้ก้อยกําลังเดินขึ้นรถก็มีสั ป, ปเหร่อคนหนึ่งเดินมาบอกปะก้อยว่าไม่กี้อ่ะตอนที่เผาศพอยู่ฉันเห็นหญิงแก่ใส่ชุดไทยยืนอยู่ตรงเมนเผาศพนั่นทุกคนตกใจมากพูดอะไรไม่ออกแล้วก็ขึ้นรถระหว่างนั้นปะก้อยก็พูดกับเดีย ว, ว่ากลับไปเราต้องไปไหว้ขอขอมายายบุญอีกครั้งหนึ่งนะ พอกลับมาถึงบ้านป้าก้อยกับเดียก็เดินไปบ้านหลังเก่าแต่ก่อนที่จะถึงบ้านหลังนั้นทั้งสองก็เห็นยายบุญจูงมือหนุ่มแล้วเปิดประตูเข้าไปภายในบ้านเดียเห็นก็ร้องไห้เพราะยังทำใจไม่ได้ที่หนุ่มต้องมาจากไปแบบไม่มีวันกลับอย่างนี้ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่มันทำให้ป้าก้อยกับเดีย ไม่กล้าที่จะเข้าไปในบ้านจึงจุดธูปขอขอมาที่หน้าบ้านแทนหลังจากที่ขอขอมากันเสร็จแล้วก็กลับไปยังบ้านของปากอ่อยคืนนั้นเดียก็นอนหลับไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช้ามาก็พากันไปวัดเพื่อเก็บกระดูกของหนุ่มพอทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังจะกลับ ก่อคอยก็เล่าให้เดียฟังว่าเมื่อคืนยายบุญได้มาเข้าฝันและบอกว่าบ้านกูจะให้ใครมาอยู่กูไม่ว่าแต่อย่ามาทําอะไรไม่ดีหรือลบหลู่ไม่อย่างนั้นมันต้องตายและอย่าให้ใครมาเปิดห้องของกูห้ามแต่ต้องโต๊ะไม้แต่เคียนของกูกูอยู่ที่โต๊ะนั้นแทนแม่แตะเคียนคนเก่า หลังจากนั้นป้าก้อยก็โทรไปหาพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่แกเป็นลูกของยายบุญเช่นกันซึ่งแกได้ย้ายไปอยู่กับสามีและตอนนั้นป้าก้อยก็ทำงานอยู่ต่างประเทศจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวเท่าไรนักพี่สาวของป้าก้อยแกชื่อเก๋ผมมักจะเรียกติดปากว่ายายเก๋ไม่ได้เรียกป้าเหมือนกับป้าก้อย ป้าก้อยเมื่อโทรไปหายายเก๋ก็ถามว่าโตในห้องของยายบุญนั้นเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่ายายเก๋ก็ตอบว่าใชา่แล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยมีต้นตะเคียนอยู่หลังส่วนเงาะตอนที่ยายบุญยังอยู่นั้นได้จ้างช่างไม้ฝีมือดีมาตัดแล้วนำมาสร้างเป็นโต๊ะ ว, วางของแต่ไม่นานหลังจากที่โต๊ะตัวนั้นถูกสร้างขึ้น ยายบุญก็เสียชีวิตที่ด้านหน้าของโต๊ะตัวนั้นหมอชันสูตรศพพบว่าสาเหตุการตายคือหัวใจล้มเหลวเมื่อญาตินำศพของยายบุญไปทำพิธีจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยายบุญก็มาเข้าฝันยายเก๋แล้วบอกว่าช่วยแม่ด้วยเขาเอาแม่ไปแล้วหลังจากนั้นยายเก๋ ก็จ้างหมอผีให้มาดูหมอผีทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ที่โต๊ะไม้แต่เคียนตัวนั้นแล้วยายเก๋ก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของยายบุญเท่าไรนักปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็คือบ้านที่ป้าก้อยอยู่นั่นเอง หัดสยอง